ร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงเจ้าแล้วก็หลงไปหลงสี่ไปเรียนร้องเพลงก็หลงซี่แล้วก็ตอนหลังก็คือพอรู้ว่าจะมากราบพระจ า, จารย์นะเจ้าค่ะก็แบบว่าร้องไปดูจิต ด, ดูไปตามดูไปเจา้าค่ะแล้วก็พอร้องเนี่ยตามดูไปก็จะอินไปกับเพลงแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะตื่นขึ้นมาพอร้องใกล้จะจบประโยคก็จะเหมือนตื่นนอนขึ้นมาก็ค่ะตอนหลังดีนะยังดีไม่ใช่จนจจบเพลงแล้วค่อยตื่น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 <ด>แล้วก็แล้วก็จะเห็นที่ความความเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกอะค่ะ<ช>จะเป็นช่วงๆแล้วก็จะเป็นเป็นได้บ่อยมากค่ะจะเห็นวง<ด>จรเยอะมากนะแต่ก่อนหลวงพ่อภาวนานะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจเจริญแล้วเสื่อมหนึ่งรอบบางคนคยาววันนี้บางคนสั้นกว่านี้แต่พอเราภาวนาชํานาญเราเห็นเลยจเจริญแล้วเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเลย อ, เนะอันไหนเกิดอันนั้นก็ดับเพราเรียกว่าจเจริญแล้วก็เสื่อมเลย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 ไม่หายก็เรื่องมันนี่เราไม่ได้ดูให้มันหายเนี่ยครับเราอย่า ก, กระโดดเข้าไปในจอเท่านั้นแหละอ๋อครับแล้วดูอยู่ห่างๆ ห, หมดเรื่องนี้มันก็ฉายเรื่องอื่นเจะจนกระทั่งฉายเหลือยุบยุบยิบยิบอยู่นั่นแหละแล้วก็ปลุงขึ้นมาแล้วไอ้ที่ที่มันใสใสคล้ายๆคล้ายกัยยยยบอะไรหุ้มหนังสือนะฮะคล้ายๆกระดาษปฏิหุ้มหนังสือคร่ะ ดูไปมันก็ไม่หายมันเป็ น, ปนจอหนังเหมือนกันใช่ไหมไม่หายน ะ, นะตัวนั้นไม่หายตัวนั้นมันจะขาดแต่ละครั้งนะตอนที่เกิดอริยมรรคตอ น, <เห S 2> นที่ยังไม่ได้เกิดอริยมรรคไม่ขาดถ้าเกิดมรรคครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สนะจะขาดแว บ, บเดียว้วกลับมาปิดใหม่ไม่หายหรอกอ๋อแล้วครับไม่ต้องไปเกลียดมันนะไม่หายแต่พอไปเห็นมันแล้วจะอึอดอัดเหมือนสูกห่อไว้ครับผม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 มันมีโมหะก็รู้เนาะเอาเชิญกลับบ้านไป